อะไรมันกวนใจที่สุดเรานั่งภาวนานอะไรมันกวนใจถามว่าอะไรกวนใจที่สุดอะไรมันกวนใจเราที่สุดดูให้เห็นนะตัวกวนใจกวนใจรบกวนใจ เสียงก็ไม่ใช่รูปก็ไม่ใช่กลิ่นก็ไม่ใช่รสก็ไม่ใช่สัมผัสเย็นร้อนก็ไม่ใช่มันเป็นอะไรมันใช่อะไรเวทนาเจ็บปวดล่ะ เวทนาเจ็บปวดแล้วมันกวนใจเราที่สุดเวทนานี้สุขเคเวทนาทุกเเวทนาสุขเเวทนากวนใจไหมสุขเเวทนาสุขเวทนาเวทนาคือการสวยอารมณ์ การที่จิตไปรับรู้สิ่งนุ้นสิ่งนี้ในสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ประสบอารมณ์นั้นก็เรียกว่าทุกขเวทนาในสิ่งที่ชอบใจท่านเรียกว่าโสมนัตโทเวทนาหรือเรียกสุ ข, ขเวทนาก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตท่านเรียกว่าโสมนัตโสเวทนา ถ้าจะเป็นเรื่องของทุกข์ทุกขเวทนาเจ็บปวด เ, ปเวทนาถ้าเป็นเรื่องของกายโทมนัสเวทนาถจะเป็นเรื่องของจิตโทมนัสเวทนาถ้าเป็นเรื่องของความสุขเขาเรียกว่าโสมนัส เวทนาดูไปอย่างเดียวอยู่ที่จิตทั้งหมดดูไปที่จิตอย่างเดียวอยู่ที่จิตทั้งหมดดูไปที่จิตจะเห็นลองพยายามแหวกสิ่งที่มันคลุมจิตอยู่นะแหวกไปให้เห็นมันละเอียดแหวกเข้าไปแหวเข้าไปแหวกเข้าไ ป, ไปคาว่าแหกก็คือใช้ความรู้สึก ลองสู่จุดจุดหนึ่งที่มันเป็นที่รองรับจิตของเราได้ละเอียดที่สุดถ้าเราจะเทียบก็เหมือนเราเราเหลาดินสอนะนะตรงปลายดินสอที่มันแหลมปิดนั่นแหละนะตรงนั้นแหละตรงที่จิตของเรามันอยู่นิ่งรวมไปที่เดียวเนะี่ยมันจะเห็นหมดที่จิตของเราเนะี่ย จิตยังไม่รวมจิตแต่กระสานซ่านเซนของวลนเรื่องรูปเรื่องเสียงของวลนเรื่องกลิน่นเรื่องรสของวันงวลเรื่องสัมผัสร้อนลวเกินหนาวลวเกินเย็ยนลวเกินสบายดีลวเกินควรหมดเป็นเรื่องควรใจทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เลยมันคลุมมาไว้ แหวกพวกนี้เข้าไปก็เหมือนอย่างเราเหลาดินสอนีะ่ะปลายดินสอนที่มันทุ่ๆมันจะไม่ค่อยเป็นจุดที่เด่นนะักเลหลาแหลมเป๊ะเหมือนปลายเข็มนั่นแหละนะจิตของเราที่เราพยายามรวมพยายามสัมรวมเข้ามาตล่อมเข้ามาอดเข้ามาทนเข้ามาใช้สติเข้ามาสัมพัญญยะเข้ามา สติสัมปชัญญะเข้ามาสมาธิเข้ามาปัญญาเข้ามาอะไรรวมมาลงมาที่นี่หมดจึ๊บลงไปที่นน่นเลยมันเป็นอะไรก็ช่างมันมัจะรู้รู้อยู่ไปตรงนั้นนันห่ะเอาปุวนั้นแหละมันเป็นอะไรมันช่างมันไม่ต้องไปดูชื่อมันไม่ต้องไปเรียกชื่อมันแหวไปให้ถึงจุดนั้นไม่งั้นเราไม่รู้เราไม่เราไม่ทันมันเราไม่ทันมัน มันถูกสิ่งเหล่านี้แหละมันคลุมเอาไว้สิ่งเหล่านี้แหละมันกวนใจสิ่งเหล่านี้มันกวนเอาไว้มันคลุมเอาไว้สิ่งเหล่านี้แหละมันกวนใจรวมไปถึงตันหารวมไปถึงอุปาทานมันตล่อมอยู่ด้วยกันทั้งหมดน่ะไอ้ตอนที่มันยังไม่ตื่นโร่อยู่น่ะมันตล่อมรวมคลุมอยู่ด้วยกันหมด ตัณหาอุปาทานอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตนั่นแหละดูไปชีจิตดวงเดียวเห็นหมดแล้วก็ไม่ต้องไปว่าให้มันเป็นอะไรย้อนดูไปเห็นอะไรก็เอาจุ๊บตรงนั้นเลยย้อนเห็นอะไรก็นึบจับตรงนั้นเลยละเอียดนะมันมันละเอียดไหมมันคมไหมเหมือนกับมันเริ่ม ตกตะกอนจนสโยร่๊ถ้ามันจะตกได้สติตื่นเข้าไปสัมปััญญะประคองสติที่ตื่นอยู่โรอยู่นั่นน่ะชัดเจนอยู่โร่อยู่จิตที่ตื่นร่อยู่ประคองเข้าไปพวกเราอ่อนประคองมันก็ไม่ไปมันขาดพอเราไม่ประคองมันก็ขาดพอเราไม่ประคองมันก็ขาด ประคองสืบเนื่องเหมือนอย่างเราประคองบาตรที่เต็มไปด้วยน้ำเน่เต็มไปด้วยน้ำมันเดินขวาก้าวซ้ายขวา้าซ้ายขวา้าเดินเต็มปริมนะน้ำมันเต็มปริมหรือไม่มีน้ำมันกับ น, น้ำก็ได้ไปอย่างนี้ก็ไปใส่น้ำเต็มขันเต็มบาทเดิน ใส่จนเต็มปิ่มเลยไม่ให้มันก็ชอกนะ่ะนั่นแหละตัวสัมพชัญญาตั้งสติขึ้นมาโรจิตโรอยู่ขณะนั้นนะ่ะตื่นตัวอยู่ขณะนั้นนะ่ะเอาตัวสัมพชัญญาจับนึบเข้าไปประคองสืบเนื่องออกไปเลยสติสัมพัชัญญาแล้วแต่เราจะว่ามันเกิดขึ้นที่จิตทางนั้นน่ะเราจะว่าวิตตกเราจะว่าวิจารณ์เราจะว่า เอาสติเอาสัมจััญญาไปประคองลองทำให้มันมีอาการอย่างนั้นน่ะอาการที่เรียกนเป็นอาการที่เป็นเนื้อหาแท้ๆของมันเป็นเนื้อหาเป็นสาระของมันที่แท้จริงไม่เป็นสมมติไม่เป็นสมมติถ้าเราไปเรียกชื่ออย่างนั้นเรียกชื่ออย่างนี้มันเป็นสมมติมันเป็นบัญญัติมันเป็นสมมุติมันเป็นบัญญัตินึบ เขาไปรู้สึกเจาะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเป็นอะไรก็ช่างมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละรู้ตัวโร่อยู่ตรงนั้นแหละนั่น่ะตัวสติตัวสัมปชัญญะอะไรจะไหวอะไรจะขยับอะไรจะขยื้อนตัวนี้แหละจะเห็นอะไรจะขยับเข้ามาอะไรจะแล็บแล็บออกมาจะเริ่มเล็บแล็บออกมาจะดันดันขึ้นมาจะโนนโนนขึ้นมา มันพร้อมที่จะแะเบออกมานะ่ะตัณหามันพร้อมที่จะแะเบออกมาเนะ่ะเปลวไฟข้างในในใจนะ่ะมันพร้อมที่จะแะเบิดระบิดระบิดระเบเปลวมันอ่ะมันออกมาไหม้ไหมอะไรไหมใจนั่นแหละ Account. มันเกิดจากใจมันก็ไหม้ใจน ah นะั่นแหละตัณหาเนาะมันเป็นไฟพุทธิยถาธนว่าเป็นไฟตัณหาทําให้เราเกิดราคะ ตัณหาทำให้เราเกิดโทสักราคคินาไฟคือราคะโทสัคินาไฟคือโทสักมโมหคินาไฟคือโมหะมันจะมีตัวหลงในพวงอยู่ทุกอย่างทุเรื่องตัวหลงตัวนี้แหละมันปิดบังเอาไว้ก็คืออะไรก็คือความไม่แก่กล้าของเราเองความไม่แกล้ากล้าของจิตของเราเอง สะสมไม่พอกําลังไม่พอฝึกฝนอารมณ์ไม่พอชะไม่พอขัดถูสีไม่พอแรงเทียนไม่พอสว่างไม่พอตื่นเนื้อตื่นตัวโร่ไม่พอไม่พร้อมตั้งปุ๊บหลุดมือไปแล้วตั้งปุ๊บหลุดมือไปแล้วตั้งปุ๊บหลุดมือไปแล้วตั้งปุ๊บหลุดมือไปแล้วไม่ตั้งใจที่จะประคองมัน ความประคองความสำรวมสำรวมเข้ามาประคองเข้ามาความตั้งอกตั้งใจความมีสติความมีสัมผัจันทรรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดความตั้งใจเหมือนกับใจมันตั้งแทนที่ใจมันจะห้อยใจมันจะตั้งความตั้งใจแต่เทลองพยายามจับจับช่วงสั้นๆแล้วก็ค่อยขยับให้เป็นเป็นช่วงยาว จับช่วงชังสั้นจับเป็นช่วงขยับค่อยจับขยับไปเป็นช่วงยาวๆเหมือนเราถือเดินค่อยๆดูทีละก้าวคว้าซ้ายควา้าซ้ายดูไม่ให้น้ำมันมันกระชกปริมนั่นะตัวสัมปชัญญะตัวประคองความตื่นตัวรู้อยู่สติคือความโคของจิต มันเกิดจากจิตดวงเดียวนั่นแหละเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นกับจิตอย่างเดียวอย่างอื่นไม่แล้วแต่เราจะเรียบจะเรียกสติก็เกิดจากจิตทีริปุปะเกิดขึ้นจากจิตสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นจากจิตสมาธเญญาิเกิดที่จิตปัญญาเกิดที่จิตธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเกิดที่จิตจิตเป็นตัวเปิดเผยให้เราเข้ามารู้ออกมารู้ สารพัดที่จะผ่านตาหูจมูกเลี้นงกายใจถ้าไม่มีจิตจิตดวงเดียวดูไปที่คนตายถ้าไม่มีจิตคือผู้รู้อย่างเดียวเนี่ยดูไปที่คนตายเอาไปเผาไม่รู้เรื่องเอาไปฝังไม่รู้เรื่องเอาไปจําแหลกเอาไปพาเอาไปปาดไม่รู้เรื่อง มีต่ดินน้ำลมไฟอยู่มองเห็นเป็นรูปคนซึ่งเราติดรูปบรรัญญัติรูปคนออเป็นตาอ้อเป็นหูอ้อเป็นจมูกออเป็นลิ้นอ้อเป็นกายอ้อเป็นใจอ้อเป็นกายตัวตันหาราคะมันพายเรายึดมันพายเราเกาะอมันไม่ได้ว่าดินว่าน้ำว่ า, วาลมว่าไฟมันว่าอันนั้นสวยอนันนี้งาม สบกํลลังพองเน่าเปื่อยนอนเจาะย้อยเยอะย้อยเยายมันก็งามไอตรงที่นอนเจาะย้อยเยะนั่นแหละถ้าจิตมีความกำหนัดจิตมีราคามันเป็นความกำหนัดของจิตมันเป็น ความราคะเป็นความกำหนัดของจิตมันไม่ได้ว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟยันไงบัญญัติก็เป็นเหตุให้เราติดเป็นเหตุให้เรายึดเป็นเหตุให้เราเกาะแต่ถ้าใบ ม, มีไม่มีบัญญตัติเราก็สับสนรู้ไม่เรียกกันยังไงเพราะฉะนั้นการดูสัจธรรมเราพยายามดูให้เลยสมมุติบัญญัติเข้าไปพยายามดูให้เลยอันนี้ไปเข้าไปหาเนื้อแท้ของมันเลย มุดดูท้องเนี่ยทะลุเข้าไปตับไตไส้พอดให้เห็นเหมือนก็นมองดูเห็นเลยนะ่ะทะลุไปหมดดูไส้กับทะลุไส้ไปเลยเห็นอะไรอยู่ข้างในกัเห็นอันนั้นเลยหมดทะลุไปเลยดูทะลุไปเลยก็ดูดูให้พรุนละเอียดละเอียดเป็นปรามณูเป็นอนูเป็นปรามณู ละเอียดทียิบขนาดนั้นทุกขุมทุกขนดูให้ละเอียดเข้าไป น, นี่มันมันเป็นไฟราคามันเกิดที่ใจราคะคือความกำหนัดในรูปหญิงรูปชายนี่เป็นยอดของราคะติด สิงนู้นสิ่งนี้ก็เป็นราคาพื้นพื้นธรรมดาติดความชอบใจชอบใจก็ติดไม่ชอบใจก็ติดนะยินดีก็ติดยินร้ายก็ติดรูปปกติก็ติดรูปไม่ปกติรูปศพคนตายเน่าแฟะก็ติด ฝังสองสามปีไปเปิดฟ้ากระโลงขึ้นมาบางทีก็แห้งกรอบบางทีก็พวกมดพวกแมงพวกปลวกพวกอะไรคนอะไรไปทับถมพวกเนื้อพวกอะไรที่กาลังเปลยลงไปเป็นดำดำเป็นคราบเป็นคราบเป็นดำดำดูปากดูจมูกโวมีกระดูกโผล่ขึ้นมามีทั้งดินมีทั้งคราบ มีแต่รอยปนเปื้อนด้วยน้ำเหลืองตามเสือ้อตามผ้าผ้าก็เริ่มผุบางทีก็แล้วแต่อะไรเขาจะยัดอะไรใส่เข้าไปก็ไม่รู้แหละถ้าใครเคยไปนั่นนะ่ะขุดหลุมศพนยะจะเห็นขนาดนั้นเลยยัางงามนะงามถ้ามันมีความกำหนัดอยู่ในใจถ้าเราไม่ทันมัน ถ้าเราทันมันมันเห็นสักตะว่าไม่ต้องว่าอะไรไม่ต้องว่าเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟก็ได้เห็นสักตะว่าเห็นไม่ปล่อยให้ตัวนี้ออกไม่ไม่ให้ตัวหยางนี่มันออกไม่ให้ตัวหยางนี่มันโผล่เข้าไปเราพยายามเหลาสติสมรชัญญะเหลาปัญญาของเรามันแหลมปิดลงมาตรงนี้แหละ เพื่อที่จะเอามาทํางานอย่างนี้เพื่อที่จะแวกไอ้สิ่งที่มันคลุมเอาไว้เนี่ยเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นสมมุติบัญญัติเป็นอะไรสารพัดที่มันปกมันคลุมห่มห่อสัจธรรมที่แท้จริงในหัวใจของเราเอาไว้มันปิดมันคลุมเอาไว้อย่ามแหวกไหวด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญาด้วยวิริยะด้วยอุตสาหะด้วยความภาคความเพียร สิ่งที่ควรใจเรานั่งนานๆเชื่อมองขึ้นไปสิ่งที่มันควรใจเราก็คือเวทนาทุกปวดความปวดใครปวดมากคนนั้นก็อุปาทานมากใครปวดน้อยคนนั้นก็อุปาทานน้อยอาจจะมีความรุนแรงความปวดเท่ากันแต่คนหนึ่งเห็นว่าไม่รุนแรงอีกคนหนึ่งเห็นว่ารุนแรงเพราะมันยึดมากมันถือมากตันหา อุปาทานอุปาทานมันมากมันยึดมากปุตตะทั้งค่ธธ า, ายดูแล้วให้ดูเอาเวทนาเวทนาเจ็บก็สักเทวาเจ็บดูเจ็บแล้วก็มาดูจิตดูจิตแล้วก็ไปดูเจ็บก็จิตนี่แหละมันรับทราบวาเจ็บแต่เราย้อนมาที่จิตอีกทีหนึ่งไม่งั้นเราหลงหลงและตัณหาแทรกหละแทรกมาที่จิตหลงแล้วก็แทรก หลงแล้ก็แทกหลงแล้ก็แทรกก็เอาจิตนั่นแหละไปรู้เวทนาเอาจิตนั่นไปรู้ปวดไม่มีจิตก็ไม่รู้ปวดอีกไม่รู้อะไรปวดเป็นศพไปเผาก็ไม่มีอะไรปวดไม่มีอะไรร้อนอาศัยว่าจิตครองร่างอยู่นั่นแหละจิตแหละมันรับทราบจิตดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเรา ไม่มีจิตดวงเดียวก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่รอบข้างตัวเราแต่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นดินน้ำลมไฟพิเศษถูกควบขุมด้วยอำนาจกรรมต้นต่อมาอย่างไหนมาจากสื่อที่เป็นสื่อความอยากของพ่อของแม่ รวมตัวกันในท้องแม่สื่อของความอยากนั่นน่ะสื่อของตัณหานั่นน่ะสื่อของตัณ ห, หากระแสของตัณหามันสื่อเข้าไปไปเกาะกลุ่มกันแง่กรรมไปจับไปจองกรรมไปกับจิตกรรมไปกับผู้รู้ผู้รู้ของเราเป็นกรรมมีกรรม แต่ต้องมีคุณสมบัติพอนะถึงจะได้มาเกิดในท้องมนุษย์เนี่ยไม่พอก็ไม่เกิดไม่ได้เกิดจะเกิดในท้องสัตว์นุ่นคุณสมบัติไม่พอท่านจึงว่าเป็นมนุษย์เนี่เป็นลาภอันประเสริฐเป็นผู้มีบุญไม่มีบุญไม่เกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่จะเกิดเป็นสัตว์มันมากต่อมากลองปล่อยดูที่ไม่รักษาไม่ดูแลไม่ควบคุมจิตโลภจิตโกรธ จิตราคะจิตตัณหาทําอะไรตามใจชอบของมันลองดูที่ไม่เป็นคนสักอยาก่างโลกกับโลกแสวงหาอยากได้กอบโกยเป็นเปลดที่ท่านว่าท่องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มจะกินยังไงมนถึงจะอิม่มมันอิ่มไม่มันไม่อิ่มไม่พอเพราะตัณหาตัณหามันมากเท่ากับภูเขา โกยไปให้มันน่ะเท่ากับปากเท่ากับรูเข็มทัาไห ม, มันจะพอมันไม่อิ่มไม่พอมันไม่อิ่มไม่พอท่านจึงว่าเป็นเปรตท่านเปรียบเทียบนะปากเท่ารูเข็มท้องเท่ากับภูเขาไม่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่มีพฤติกรรมแบบนั้นก็เป็นมนุษย์แต่ร่างตายไปแล้วก็เป็นเปรตจริงๆแล้วตอนเนี้ย เ ป, เป็นเป็นเปรตที่เราทําบุญอุทิศให้เปรตธรรมากินไม่เป็นคอยรับส่วนบุญจากญาติแต่เรียกว่าเวมาหนิกเปรตพวกนี้ที่พเจ้าพิมพ์พิสารทําบุญให้ญาติของท่านเป็นเปรตประเภทเวมาหนิกเปรตคอยรับผลทานจากคนอื่นทําบุญอุทิศให้ แต่เขาต้องอุทิศให้นะเขาต้องเจาะจงให้นะเขาไม่อุทิศให้เขาไม่เจาะจงให้เนี่ยดูเฉยเฉยเนี่ยไม่มีส่วนรับแหละไม่มีส่วนได้รับแหละเออสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเออเรามีส่วนในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราถูกเราด้วยรวมที่เราด้วยเขาไม่เรียกชื่อก็ไม่เป็นไรเออสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเขาแบ่งส่วนบุญให้พลอได้กับเขา แต่ถ้าเขาระบุเจาะจงเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรระบุบอกชื่อเข้ามาอุทิศสนบูรณ์ให้นะอยังงั้นยางงั้นยางงั้นถ้าเขาไม่ให้ก็คือไม่ได้นั่นแหละไปเอาเลยไปขโมยเลยไปต้องกับเม่าเลยหละร้อนเอามือไปแตะร้อนทันทีเลยเลยเป็นของเขายังไม่ใช่ของเรามันมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์แล้วยัมองข้ามสิ่งเหล่านี้ โอกาสที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ได้เป็นลาบอันประเสริฐบางคนเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่รักษาสถานะความเป็นมนุษย์ปพราะพึ่งตามใจชอบทุกอย่างมีสิ่งโน้มเอียงทำให้จิตเป็นไปสารพัดทำได้สารพัดไม่ให้ความสำคัญทางนั้น มแม้แต่พ่อแม้แต่แม่ขัดขวางความรู้สึกด่าเป็นดา่าทุบเป็นทุบตีเป็นตีเตะเป็นเตะเราคิดดูดี๋ยมันมนุษย์ที่ไหนลน่ะนะมนุษย์ที่ไหนมันไม่ใช่มนุษย์มองข้ามสิ่งที่ได้ตอบแทนคืออะไรขอให้สมใจขอให้สมอยากขอให้สมอยากขอให้สมอยาก ร่างกายมันติดของของอยากอย่างใดอย่างหนึ่งจิตตกอยู่ในอำนาจของกายเรียกร้องเรียกร้องไปที่จิตจิตก็วิ่งหาหาให้ขอให้ได้เสีบขอให้ได้เสีบเวลาเวลาเสีบมากายเสียบเป็นสะพานเชื่อมเข้าไปที่จิตคําว่าสุขแล้วเกินสุขแล้วเกินสุขแล้เกินทุกข์จะตายคําว่าสุขแล้วเกิน อร่อยแล้วเกินสุกแล้วเกินสิ่งเลนี้เรามองข้ามไม่ได้มองค้าและตายทั้งเป็นหน้าเกลียดน้าหลาบความเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้เป็นความเป็นอยู่ที่ทำให้เด็ก เป็นลูกเป็นหลานห่างจากการดูแลของพ่อของแม่บางคนก็ดูแลดีบางคนก็ไม่ดูแลปล่อยให้เด็กสบายตามใจเด็กมันเคยได้ตามใจจนมันได้ใจพอเวลามันได้ใจมันยามใจแล้วเนี่ยมันแข็งเข้าไปในนิสัยแล้ว มันไม่เอาเลยมันแข็งตามนิสัยของมันมันเคยอิสระยังไงมันก็เป็นไปตามนิสัยของมันทำไม่ถูกพอแม่มาบอกตอนที่เป็นนิสัยขอ ง, ขอ ง, ขอ ง, ของเขาไปแล้วมันไม่ฟังพ่อบอกมันก็ไม่ฟังแม่บอกมันก็ไม่ฟังขอไม่ได้อย่างใจขอยไม่ได้อย่างใ จ, งใจงวันก่อนนะมีคนเข้ามาเขามีลูกสองสาคนบอกไม่ได้สักคนเขาว่า บอกไม่ได้สักคนเพราะเราปล่อยให้เขาอยู่อิสระจนเสียคนไม่มีกรอบให้เขาไม่มีข้อบังคับให้เข า, ขาการดูแลสิ่งเหล่านี้น่ากลัวมกันแหละได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นลาบอันประเสริฐอยู่แล้วด้วยเหตุที่รู้เท่าไม่ถึงการสิ่งเหล่านี้เนี่ยถลุงเลนเล่นเลยแหละกิเลสขี่คอตันหาขี่คอแสดงพฤติกรรมตามใจชอบน่ากลัวมากๆเราไม่ศึกษาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละอไม่ค่อยจิกหูจิกตาจิกมือจิกตีนเราเนี่ยคอยหยอดทุบให้ ย, ย, ยุ่มๆยิ้มๆทุกเล็กทุกน้อยทุกมากทุกอยู่นั่นแหละดูไปที่ใจมันจะเห็นดูไปที่จิตดูไปที่กายก็เอาจิตดูมันสงบอยู่กับกายก็คือจิตสงบ กายมันไม่รู้เรื่องหรอกเอากลายเป็นอารมณ์ก็เอาจิตนั่นละดูกายพิจารณาลมเข้าลมออกก็เอาจิตนั่นแหละเป็นผู้กำหนดจดจ่อดูพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโถ ก, ก็เอาจิตนั่นแหละเป็นคนดําำริเป็นคนว่าเพราะฉันอารมณ์อะไรก็ตามมันก็คือเป็นอารมณ์ของกาย เ ป, เ, เป็นอารมณ์ของใจเ อ, อะไรเป็นอารมณ์ก็ตามก็คืออารมณ์ของใจเราเอามาทําให้ใจสงบท่านก็เรียกว่าอารมณ์ของสมถะเอามาเอาใจมาดูมาพิจารณาก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาดูความเคลื่อนไหวของอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นไปเพื่อเกิดปัญญาพลิกแปลงดูสิ่งเหล่านั้นไม่ถึงกับพลิกแปลง จ่อให้จิตมันอยู่กับอารมณ์มันเดียวห น, นี่เป็นไปเพื่อความสงบครูบาอาจารย์ท่านให้ทําสลับกันไปถึงคราวจ่อให้สงบเขาจะมีพลังเขาจะรวมตัวเขาจะเป็นพลังเขาจะมีพลังเขาจะเป็นพลังสะสมเขาจะเป็นกําลังสะสมเหมือนอย่างกระชา้นแบตเตอรี่อย่างนี้ถ้มว่าเราชาติหนึ่งวันเนี้เราก็ไปใช้ได้สามสี่วันเนี้ เราชั้นหนึ่งวันเนี่ยเราก็ไปใช้เป็นครึ่งเดือนอย่างนี้นี่คือพลังสะสมนี่คือความสำคัญของสมาธิสมาธิคือพลังสะสมในระหว่างที่เขาสะสมเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตสร้างความอัศจรรย์ให้กับจิตมีอานุภาพมีความสงบอยู่ในตัวมีพลังในตัว มีความสุขในตัวดูให้เขาสงบตัดไม่ให้เขาวิ่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสเอาอะไรตัดเอาสติเอาสัมภัญญะตัดที่สัมชัญญะคือจิตนั่นแหละแต่ช่วงระหว่างที่มันตื่นโร่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านก็ว่าสติตื่นจิตตื่นก็คือสติมันปลุกให้ตื่นบางทีเราแยกแยะไปแล้วมันงงเราก็ไม่ต้องไปแยกแยะจุด ลงไปที่จิตคือผู้รู้หนึ่งมันคืออะไรให้มันดิ้นให้ดูจึกแทงเข้าไปเลยหอกแหลมๆหมนี่งสมาธิปัญญาแหลมๆแทงเข้าไปลองให้มันดิ้นดูมันดิ้นเป็นดิ้นเป็นอะไรจับตามต้อนมันอยู่นั่นแหละเอาตัวเดียวนี่แหละตัวอย่างอื่นพูดมากอย่างอื่นมันสับสนมันงง นี่ละงานกรรมฐานงานข้างในงานภายในเป็นงานละเอียดเป็นงานอัดตตหิอั ต, ตโนนาโถใครช่วยไม่ได้ต้องทำด้วยเรียวแรงคนอื่นบอกเป็นเพียงอุบายเป็นเพียงวิธีเราทำด้วยเรียวแรงของเราผลจึงจะปรากฏที่เราเกลียดอยู่ในสันดานของเราเราทำถูกมันก็ถูกขัดถูกชะถูกล้างถูกกลาไป ความทุกข์ที่เคยยึดเคยถือมากๆากมันก็เบาไปเพราะมันรู้มันก็ใจมันก็เบาไปเบาไปไม่เบ า, เากบา็ต่อสู้กันโดยอบายต่สู้กันวิธีนี่อยู่อย่างนักต่อสู้อยู่อยู่อยู่อย่างปลาดเป็นไม่ใชอ่อยู่อย่างปลาดตายอยู่อย่างปลาตายนอนเน่าเฟะ อะไรอะ่าข้ามหัวข้ามมือข้ามตีนข้ามอะไรพัดไปตกไหนไปตกกองสะวะที่ไหน ก, ก็ช่างมันแลหละในสุดมันไม่ไปไหนมันไปกองอยู่ที่กองสะวะของเศษของเดนของเน่าของเปื่อยมันลอยไปตามน้ำมันไปกองไว้ที่เศษสะวะกองสะวะมีตของเน่าทั้งนั้นอ่ะในนั้น วิยาการความโลภความโกรธความหลงก็จะพฤติกรรมต่างๆที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจนั่นแหละมันก็ไปกองทับถมจิตนั่นแหละกองทับถมอยู่นั่นแหละคนดีๆจนกลายเป็นคนผานคนดีดีกลายเป็นคนอันพานทั้งมืดทั้งบอดทั้งดือ้อทั้งด้านทั้งมืดทั้งบด อันภานตันหามันยึดเป็นเมืองขึ้นพางมันสนุกมันถลุงเล่นเล่นงานแหละมันขี่หัวบันขี่หัวช่างอ่ะล่ะขี่หัวใจหัวใจของเราตัานหามันขี่หัวคนเห็นแก่ใจคน เอาแต่ใจคนเห็นแก่ใจคนเอาแต่ใจถ้ามีเหตุผลก็ยังพอฟังได้ดูได้ถ้าไม่มีเหตุผลผิดชอบชัว่วดีเอาใจใจนี่คือผ่านแท้ๆถ้าแน่นตรงเป้นไปสู่เหตุไปสู่ผลนี่ก็เออยังมีสัมมาทิฏฐิเขาไปเกี่ยวข้องอยู่บ้างถ้าไม่มี ไม่มีเหตุผลประกอบไม่เหมาะไม่ควรไม่สมเหตุไม่สมผลเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้มันไม่เอาทุกไปไหนเอาทุกไปให้ตัวเองแล้วไม่เอาโทษไปไหนเอาโทษไปให้ตัวเองอ่าพอสมควรวันนี้เอาตอนนี้เอาไปทําต่อไปภาวนาต่อไปดูสิ่งที่มันกวนใจที่สุดเฉพาะตัวของเรานะ่ยอะไร กวนใจที่สุด